ก็เลยเาบอกว่าคำถามในระดับอริยมรรคเนี่ยนะที่นี้ในหน้า509ข้อ509หน้า328เนี่ยก็เป็นคำถามของผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัตินะนะกลับมาเข้านิโรธสมาบัติระดับสูงล ะ, ะที่ชื่อว่าสังขารมีเท่าไหร่ที่จริงเนี่ยน ะ, ะก่อนหน้านี้ก็เป็นคำถามที่มีมีรายละเอียดที่ค่อนข้างมากอยู่แล้วใช่ อันนี้มาขึ้นคำถามใหม่บอกว่าที่ชื่อว่าสังขารนี่มีเท่าไหร่พระธรรมมินาเทรีก็บอกว่าสังขารมีสามคือกายสังขารวจีสังขารและก็จิตตสังขารวิสาขาก็ถามอีกว่ากายสังขารเป็นอย่างไรวจีสังขารเป็นอย่างไรจิตตสังขารเป็นอย่างไรเพราะคำว่ากายสังขารนี่มีหลายในนะกายสังขารวจีสังขารจิตตสังขารนี่มีหลายใน ในยะหนึ่งก็คือไยกายสังขารคือเจตนายี่สวจีสังขารคือเจตนา20จิตตสังขารคือเจตนายี่าในหนอันนี้นี่ไหนที่ไม่ได้พูดถึงตรงนี้นะกายสังขาร20ก็คือกุศลเจตนาอกุศลเจตนาทั้งยี่สิบที่เป็นไปกับกายวิญญาณเนี่ยนะที่ที่ทำให้เกิดกายวิญญาณเป็นตายอันนั้นแหละเรียกว่ากายสังขารที่ขยับเขยื่อนทางกายส่วนวจีสังขาร20ก็คือเกี่ยวกับการ พูดส่วนจิตตสังขารก็คื อ, อจิตทั้ง29ที่ไม่พูดเนี่ยนะไม่พูดไม่ทำอะไรเลยเนี่ยนะนิ่งๆอ่ะไม่ขยับกายไม่ขยับวาจาอันนั้นเป็นจิตตสังขารแต่ว่าคำถามอันนี้เป็นคำถามของผู้ที่หาข้อมูลรายละเอียดของผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติเพราะฉะนั้นพระธรรมทินนาเทรีก็เลยตอบเกี่ยวกับสังขารของผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติว่า ลมหายใจเข้าหายใจออกเป็นกายสังขารวิตกวิจารเป็นว จ, จีสังขารสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตะสังขารวิสาขาอุบาสกก็ถามต่อไปว่าพระแม่เจ้าเพราะเหตุไรลมหายใจเข้าออกจึงเป็นกายสังขารทำไมวิตกวิจารจึงเป็นว จ, จีสังขารทำไมสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตตะสังขารตอบว่าวิคุณ ก็เพราะลมหายใจเข้าลมหายใจออกเนี่ยนะมีส่วนในกายติดเนื่องในกายเพราะฉะนั้นจึงชื่อว่ากายสังขารเพราะลมหายใจมันเกี่ยวข้องกับกายปกติคนธรรมดาทั่ ว, วไปถ้าไม่หายใจอะไรจะเกิดขึ้นนะไม่หายใจสักสองชั่วโมงะนะอยู่รอดไหมไม่ถึงแล้วเนี่ยนะัตั้งแต่สินาทีแรกแล้วล่ะ ทีนี้วจีสังขารเขาบอกว่าบุคคลตรึกตรองหมายคือว่าคิดก่อนเนี่ยนะวิตกวิจารไข้ครวนก่อนแล้วค่อยพูดฉะนั้นวิตกวิจารณจึงชื่อว่าเป็นวจีสังขารเนี่ยนะเพราะว่าตรึกแล้วตรึกอีกนะอย่างเราจะพูดอะไรสักคำหนึ่งออกไปเนี่ยมันก็นึกไปก่อนคิดไปก่อนเนี่ยไนอะ้นึกไปก่อนคิดไปก่อนนั่นแหละเรียกว่าวิตกวิจารณ์เป็นเหตุแห่งวจีสังขารส่วนสัญญาและเวทนาเนี่ยนะ สัญญาความสำคัญหมายอารมณ์เวทนาเป็นสเสวยอารมณ์สองอย่างนี่แหละเป็นจิตสังขารเพราะอะไรเพราะเนื่องด้วยจิตฉะนั้นสัญญาและเวทนาจึงเป็นจิตสังขาร น, นี่นะก็เพราะเวลาเราคิดเนี่ยนะความคิดเราใดพ้นไปจากสัญญาและเวทนาได้ไหมสัญญาและเวทนามันเนื่องกับจิตนั่นแหละทีนี้อา่า คำถามเกี่ยวกับเรื่องกายสังขารวจีสังขารจิตตะสังขารเป็นคำพูดที่เกี่ยวพันของผู้ที่จะเข้านิโรธสมาบัติต่อไปเนี่ยน ะ, ะพักไว้ก่อนทีนี้มาขึ้นว่าแม่เจ้าการเข้าสัญญาเวทยยตานิโรธหรือการเข้านิโรธสมาบัติเพื่อดับสัญญาดับเวทนาเนี่ยมีด้วยอาการอย่างไรเอว่านิโรธสมาบัติเป็นยังไงมันเกิดขึ้นยังไงมกัน ธรรมทินนาบอกว่าภิกษุผู้เข้าสัญญาเวทายิตานิโรธจะได้คิดว่าเราจะเข้าสัญญาเวทายิตานิโรธหรือว่าบัดนี้เราเข้าสัญญาเวทานิโรธอยู่หรือว่าเราจะเข้าสัญญาเวทายิตานิโรธอย่างนี้ก็หาไม่ได้ขณะที่เข้าสัญญาเวทายิตานิโรธขณะที่เข้านิโรธสมาบัตคิดอะไรได้ไหมคิดว่าเนี่ยเราจะเข้านิโรธสมาบัติตอนนี้เรากําลังเข้านิโรธสมาบัตตอนนี้เราเข้านิโรธสมาบัติเสร็จแล้ว คนที่อยู่ในนิโรธสมาบัติเนี่ยนะภาพญาติบุคคลขณะที่เข้านิโรธสมาบัติคิดอะไรได้ไหมไม่ได้เพราะฉะนั้นจึงไม่มีความคิดว่าเราเนี่ยจะเข้าเรากําลังเข้าหรือเราเข้าเสร็จแล้วขณะนั้นะนะะก็เหมือนขณะที่เราหลับสนิทคิดไหมว่าเออเราเราจะหลับละเดี๋ยวเรากําลังหลับอยู่เออเราหลับเสร็จแล้วขณะที่กําลังหลับสนิทคิดอย่างนี้ได้ไหมคิดไม่ได้ฉันใดนี้ก็เหมือนกัน แต่ชั้นแรกทีเดียวเนี่ยจิตต้องน้อมในตอนต้นก่อนที่จะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยต้องมีความคิดน้อมไปตั้งกต่แรกเลยว่าจะเข้านิโรธสมาบัติเกิดความคิดขึ้นมาก่อนเหมือนกัิสาขาก็ถามว่าภิกษุที่เข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะสัญญาเวทายตะนิโรธทำเหล่าใดดับไปก่อนเชื่อมตั้งกต่แรกใช่ไหมอะไรดับก่อนระหว่างกายสังขารวจีสังขารและจิตตสังขาร พระธรรมทินนาบอกว่าคนที่จะเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยนะว่าจีสังขารดับไปก่อนดับด้วยทุติยชานเพราะทุติยชาญนี่ดับวิตกวิจารเพราะฉะนั้นทุติยชาญเนี่ยนะการเข้านิโรธสมาบัติเนี่ยเป็นการเข้าธรรมะที่ดับดับดับธรรมะหยาบหยาบด้วยธรรมะละเอียดละเอียดไปโดยลําดับอย่างเช่นว่าพระธรรมชาญดับนิวรณ์ทุติยชาญดับ วิตกวิจาร์ตติยะชานดับปีติจตุทชานดับสุขทุกข์แล้วก็ดับลมหายใจเนี่ยนะเป็นต้นมันวัจจีสังขารเนี่ยถูกดับไปตั้งแต่ทุติยะชานกายสังขารคือลมหายใจดับที่ที่ไหนที่จตุทชานเพราะจตุทชานไม่หายใจแล้วก็จิตตสังขารดับสัญญาเวทนาที่นิโรสมาบัตคือถัดจากเนวสัญญาไปเนี่ยนะ ทีนี้ถามอันใหม่บอกว่าการออกจากสัญญาเวทยยตานิโรธสมาบัติเนี่ยมันเป็นอย่างไรเมื่อกี้ถามเรื่องเข้าเลยใช่ไหมคนที่จะเข้านิโรธสมาบัติก็ต้องตั้งใจก่อนว่าจะเข้าไม่ใช่ว่าขณะเข้าคิดอะไรได้แต่ตอนออกล่ะบอกว่าตอนออกเนี่ยนะผู้ที่ภิกษุที่ออกจากนิโรธสมาบัติจะสำคัญว่าเออเราจากออกเรากำลังออกเราออกเสร็จแล้วมันคิดอย่างนั้นไม่ได้หรอกขณะนั้นนะ แต่จิตที่ตั้งไว้ตั้งกัแรกเลยว่าจะเข้าเข้ากี่ชั่วโมงนะไหมพอถึงเวลามันก็ออกตามกําหนดที่ตั้งไว้ตั้งกัแรกมันตอนแรกตั้งไว้ยังไงมันก็ออกตามที่ตั้งเอาไว้นั่นแหละเหมือนกับว่าเป็นคนนักหลับหนักหลับนิยมเนี่ยนะหลับบ่อยมากเลยเนี่ยแบบแบบใคว่ามันตื่นยากเนี่ยตั้งนาฬิกาปลุกเอาไว้เนี่ยพรตั้งไว้สำเร็จเนี่ยนะถึงเวลานาฬิกามันก็ปลุกขึ้นแล้วก็ตื่นขึ้นตาม ตามวิสัยเนี่ยนะธรรมดาเพราะฉะนั้นสำคัญว่าตั้งไว้ตั้งกัแรกตั้งใจไว้ตั้งกัแรกนั่นแหละเทนี้คําถามต่อไปว่าเมื่อออกจากสัญญาเวทายิตนิโรธออกจากนิโรธสมาบัติอะไรเกิดก่อนในสังขาร3มกายสังขารเกิดก่อนหรือวิจีสังขารด้วยจิตตสังขารเกิดก่อนอะไรเกิดก่อนพระธรรมทินนาภิสุนีก็บอกว่าการที่จะออกจากสัญญาเวทายตานิโรธหรือนิโรธสมาบัติจิตตสังขารคือสัญญาและ เวทนาจะเกิดก่อนคือจิตก่อนแล้วถัดจากนั้นมาเนี่ยนะก็เกิดลมหายใจเข้าออกก็คือเกิดลมหายใจแล้วก็ถัดจากนั้นไปก็เป็นวัจจีสังขารเนี่ยนะวิตกวิจาร์ก็จะเกิดขึ้นตามลำดับทีนี้คำถามว่าเมื่อออกจากนิโรธสมาบัติเสร็จแล้วเนี่ยษะเท่าไหร่ถูกต้องผู้ที่เข้าผู้ที่ออกจากสัญญาเวทานิโรธ คือหมายความว่าจิตตัวไหนเกิดขึ้นหลังจากที่ออกจากนิโรสมาบัติท่านบอกว่าภัสสะ3ประการคือสุญยาตสัมผัสหนึ่งอนิมิตะสัมผัสหนึ่งอัปนิหิตะสัมผัสหนึ่งย่อมถูกต้องภิสูุผู้ออกจากสัญญาเวทายิตานิโรธหมายความว่าในขณะจิตที่ออกจากนิโรสมาบัติเนี่ยนะจิตตัวนั้นเรียกว่าพละสมาบัติหรือผลจิตอรหัตตผลจิตหรืออนาคามีผลจิตจะมีพระนิพพานเป็นอารมณ์ ทีนี้การใส่ใจพระนิพพานเนี่ยมีการใส่ใจอยู่สามลักษณะด้วยกันหนึ่งใส่ใจว่าว่างสุญญตาเนี่ยนะความว่างว่างไม่ใช่ไม่มีนะว่างจากราคะว่างจากโทสะว่างจากโมหะว่างจากขันห้าอย่างที่หนึ่งอย่างที่สองก็บอกว่าไม่เป็นนิมิตอ น, นิมิตะคือไม่มีนิมิตไม่เป็นนิมิตของราคะโทสะและโมหะหรือว่าไม่มีที่ตั้งคื อ, อนิพพานไม่ได้เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะ ง่ายๆว่าพระสมาบัติของผู้ที่ที่พื้นฐานมาจากสุญญาตานนปัสสนาเรียกว่าสุญญาตาสัมผัสเนี่ยนะถ้าหากว่าพื้นฐานมาจาก อ, าอานิจจานุปัสสนาพวกนี้ก็จะเป็นอนิมิตตาสัมผัสถ้าพื้นฐานมาจากอัปปนิหิตาหรือทุกขานุปัสสนาพวกนี้ก็จะเป็นอัปปนิหิตะสมาบัติ ดูอัตถกถาในหน้าสามร้อยสีสิบเก้าจะได้เข้าใจเพิ่มเติมสักเล็กน้อยเนี่ยนะว่าหน้าสามร้อยสีสิบเก้ากลางๆหน้าก็บอกว่าสมาบัติเป็นต้นว่าพรรษะเป็นของศูนย์ก็กล่าวโดยภาษะที่มีคุณและโดยอารมณ์หมายคือว่าพระละสมาบัติที่ชื่อว่าเป็นของศูนย์เนี่ยนะโดยภาษะที่มีคุณก่อนเพราะท่าน ประสงค์เอาภาษาที่เกิดพร้อมกับสุญญตะพระสะมาบัต Lol. ินี่นะสุญญตะพระสมาบัติอนิมิตะพระอานิมิตะพระสมาบัติอปนิหิตะพระสมาบัติคือหมายคขาว่าถ้าโดยปกติเนี่ยนะผู้ใดที่เจริญอานัตานุปัสสนาแล้วเข้าพระสมาบัติอันนั้นจะเป็นสุญตะสมาบัตินิพานนั้นก็เป็นสุญญตนิพานผู้ที่เจริญอนิจจานุปัสสนาแล้วเข้าพระสะมาบัติ Phoenix, พระสมาบัติอันอนั้นชื่อว่าสุญญาต์ขอ pakai. อภัยอนิจจานะก็จะเป็นอนิมิตะานิมิตะพระสมาบัตินิพาน น, นั้นชื่อว่าอ น, นิมิตตนิพานถ้าจเจริญทุกขานุปัสสนาลแล้วเข้าพระสมาบัติพระสมาบัติอันนั้นชื่อว่าอปปนิหิตสมาบัตินิพา น, นอันนั้นชื่อว่าอนิมิตอปปนิหิตนิพานนะนะ อ น, นิมิตะไม่มีเครื่องหมายอันเป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะโมหะอปปนิหิตะไม่เป็นที่ตั้งแห่งราคะโทสะและโมหะพะะนันปัสสะในพระสมมาบัติที่มีพระนิพพานเป็นของศูนย์เป็นอารมณ์ชื่อว่าสุญญาตเนี่ยนะก็นัยเดียวกันทีนี้อีกในหนึ่งเขาบอกว่าวิปัสสนาท่านก็เรียกว่าสุญญาตาอ น, นิมิตาและก็อปปนิหิตาเหมือนกันวิปัสสนานะวิปัสสนาก็ชื่อว่าสุญญาตาเพราะว่า คืออธิบายว่าภิกษุใดกําหนดสังขารโดยความเป็นของไม่เที่ยงแล้วออกโดยความเป็นของไม่เที่ยงวิปัสนาที่พาไปจนถึงการออกคือคือหมายถึงว่าเจริญอา น, นิจจานุปัสนาแล้วบรรลุอริยมรรคอะนะวิปัสนาที่เจริญทําให้บรรลุอริยมรรควิปัสนาอ น, นั้นชื่อว่าอ น, นิมิตานุปัสนาเพราะมนสิการว่าไม่เที่ยงส่วนวิปัสนาที่กําหนดสังขารว่าเป็นทุกข์เนี่ยนะอ่า วิปัสนาอันนั้นเจริญจนถึงอริยมรรควิปัสนาที่กําหนดมนุิยการโดยความเป็นทุกข์เนี่ยอันนั้นก็ชื่อว่าอัปตัญหิตานุปัสนาวิปัสนาใดที่ใส่ใจในสังขารโดยความเป็นอนัตตาเนี่ยนะวิปัสนา น, นั้นเจริญจนถึงอริยมรรคอันนั้นชื่อว่าสุญญาตานุปัสนาอันนี้ในในมัคคะวัคเนี่ยนะมัคคะวัคคถาธรรมบทเนี่ยจะกล่าวไว้อธิบายไว้ว่า เมื่อใดบุคคลเห็นสังขารทั้งปวงว่าไม่เที่ยงเขาย่อมเบื่อหน่ายในวัฏฏทุกขที่ตนหลงเนี่ยนะความเบื่อหน่ายในวัฏฏทุกข์ในสิ่งที่ตนหลงนั่นเป็นทางแห่งพระนิพพานนั้นการใส่ใจโดยไม่เที่ยงเนี่ยนะจะนำมาซึ่งนิพพิธานิพพิธานนํามาซึ่งอริยมรรคซึ่งเป็นทางแห่งพระนิพพานหรือใส่ใจว่าสังขารทั้งปวงเป็นทุกเนี่ยนะสัพเพธรรมมาอนัตตาติยาาปัญญายาปสติอาธานิปินทติทุกเขเสมะโควิสุทธยาเนี่ยนะว่ะหมายคําว่า จเจริญทุกขานุปัสนาจนจนอริยมรรคเนี่ยจนนิพพิทานุปัสนาเกิดแล้วก็นิพพิทาเป็นปัจจัยแก่อริยมรรคเนี่ยนะมันวิปัสนาอันนั้นก็ชื่อว่าอัปปนิหิตะอัปปนิหิตะอะไรอัปปนิหิตะวิปัสนาหรือถรามนัสิการสังขารโดยความเป็นอนัตตาก็จเจริญวิปัสนาจนเกิดนิพพิทาแล้วก็น้อมไปเพื่อให้อริยมรรคเกิด ที่จริงเราเลือกได้ไหมว่าไหมฉันอยากจะเจริญแต่อนิจจังฉันอยากจะเจริญแต่ทุกขังฉันอยากจะเจริญแต่อนาตาเนี่ยนะคัดสรเลือกเอาเองตามใจชอบได้ไหมจริงๆแล้วอินทรีย์ของบุคคล น, นั้นเป็นผู้บอกคนที่มีศรัทธา ม, มากพวกนี้จะโดยมากจะเนี่ยใส่ใจคําว่าอานิจจังใครที่พูดคําว่าอานิจจังบ่อยๆนะพื้นฐานคนนั้นอาจจะมีศรัทธา ม, มันไม่แน่หรอกมันไม่เที่ยงหรอกมันไม่ยั่งยืนไม่มั่นคงเอาแน่เอานอนไม่ได้ คนเหล่านี้แสดงว่าต้องการศรัทธาต้องการต้องการจะเจริญศรัทธาต้องมีวัตถุเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาแต่ถ้าพูดที่คนที่บ่นเรื่องทุกข์เรื่องยากเรื่องลําบากคนพวกนี้จะน้อมไปหาน้อมหาอะไรน้อมไปหาสมาธิเนี่ยนะน้อมไปหาสมาธิเนี่ยนะคือสมาธินีเนี่ยนะอนิจจานุปัสสนานี่เหมาะกับคนที่มีเจริญด้วยสัจทินรีทุกขานุปัสสนานี่เหมาะกับคนที่เจริญด้วย สมาธิสีส่วนอนัตตานุปัสสนาพวกนี้เหมาะกับคนที่มีปัญญสี่มีปัญญาอย่างขมกล้าแล้วก็แก่กล้าทั้งหลายอ น, นัทบทวนนะว่ารายละเอียดนี่หนึ่งว่าถ้าอ น, นิจจานุปัสสนาเรียกว่าอะไรอ น, นิมิตตานุปัสสนาทุกขานุปัสสนาก็คืออปปนิหิาาตานุปัสสนาอนัตตานุปัสสนาก็คือ สุญญตานนปัสสนาอริยมรรคที่เกิดขึ้นก็ชื่อว่าอะไรถ้ามาจากอานิจจังก็เป็นอนิมิตตมรรคถ้ามาจากทุกขังก็เป็นอัปปนิหิตมรรคถ้ามาจากอนัตตาก็จะเป็นสุญญามรรคอริยผลอ่ะอริยผลก็ชื่อตามนั้นแหละถ้าอนิมิตตมรรคก็เป็นอนิมิตตผลอนิมิตตผลถ้าอนิมิตตมรรคเอ่ออัปปนิหิตมรร ก, ก็เป็นอัปปนิหิตผลสุญญตมรรคก็เป็น สุญญาตาผลนิพพานก็มีชื่อตามนั้นแหะนะถ้ามาจากอนิจจังมากก็จะเป็นอะไรอนิมิตตานิพพานถ้ามาจากทุกขังมากก็เป็นอัปปนิหิตานิพพานถ้ามาจากอนัตตามากก็เป็นสุญญาตานิพพานเนี่ยนะมันก็ผู้ที่ออกจากพระสมมาบัติเนี่ยนะออกจากขออภัยผู้ที่ออกจากนิโรธสมมาบัติเนี่ยอริยผลที่เกิดขึ้นคือ สุญญตะผลอนิมิตตะผลหรืออปะนิหิตะผลอย่างใดอย่างหนึ่งทีนี้ถามว่าจิตของผู้ออกจากนิโรธสมาบัติจิตที่ออกจากนิโรธสมาบัติเป็นพละพละจิตนะน้อมไปในอะไรน้อมไปในสิ่งใดโอนไปในสิ่งใดน้อมไปในสิ่งใดเขาบอกว่าจิตของผู้ออกจากนิโรธสมาบัติสัญญาเวทายิตะนิโรธน้อมไปในความสังัดคือพระนิพพาน น้อมไปเรียกว่าโอนไปในความสงักรคือนิพานเงื้อมไปในความสงัดคือนิพานเพราะอะไรเพราะผลจิตมีนิพานเป็นอารมณ์อยู่แล้วเพราะจิตที่ขณะออกจากพะละสมาออกจากนิโรธสมาบัตินิโรธสมาบัติคือดับสัญญาเวทนาเนี่ยนะจิตแรกที่เกิดขึ้นคือผลจิตผลจิตนั้นเป็นสุญเตผลอนิมิตผลอัปนิหิตผลก็ได้ที่มีนิพานเป็นอารมณ์เงื้อมไปสู่นิพานนิพานเป็นอารมณะปัจจัยของผลจิตเหล่านั้นเป็นต้น นีส่วนรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องเวทนาเป็นต้นเนี่ยนะก็คงไว้เป็นตอนบ่ายนะตอนเช้านี้พระเรียเจ้าทั้งหลาย ท, รรท่านตรัสรู้รำใดแล้วก็บรรลุมรรคผลทำที่สุดแห่งทุกข์แล้วก็เข้านิโรธสมาบัติเข้าพระราสมาบัติได้ก็ขอให้พวกเราทั้งหลายมีส่วนได้รับอริยผลสามัญญาผลเหล่านั้นโดยทั่วกัน น, นะเช้านี้ก็ใช้เวลาแต่เพียงเท่านี้เนน